ตั้งใจฟังเดอร์มาแล้วก็ให้ได้บุญนะมาถวายท้าแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ฟังธรรมให้มันสมกับเป็นวันพระใหญ่เนะเพราะวันพระนี่คือวันฟังธรรมธรรมสัปะวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะเพราะว่าเป็นวันออกพรรษาก็ธรรมดานะมีข้าวก็ต้องมีออก มีวันเข้าพรรษาก็ต้องมีวันออกพรรษาตงมีประกาำอยู่แต่พูดถึงธรรมเนียมในฝ่ายพระฝ่ายสงแล้วนี่วันเข้าพรรษานี่สำคัญกว่าวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาทำไมถึงสำคัญกว่าวันออกพรรษาก็เพราะว่าเป็นวันที่พระสงฆ์ก็ดีสามเณรก็ดีแม่ชีก็ดีหรือแม้แต่ ญาติโยมาสุบาสิกาจะมาพร้อมใจกันทาความเพียรในการรักษาศีลมาเป็นภาวนาหลายคนก็ตั้งใจมาบวชเพื่อจะจำพรรษาบวชเพื่อฝึกฝนปฏิบัติสร้างบุญสร้างบุญสมจะเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา หรือว่าเพื่อฝึกหัดขัดเกลวาให้เป็นคนดีนะก็อาศัยช่วงเข้าภาษารนี่นะั้นช่วงเข้าภาษานเป็นช่วงเวลาการมาร่วมการทาความดีอย่างเข้มข้นนะส่วนออกภาษานี่หลายคนก็อาจจะสุ่าลาะเพทไปนะระหว่างการมาบวด กับการศึกษานี่ทางพุทธศาสนาก็ถือว่าบวชนี่สาคัญกว่าศึกนะระหว่างการเข้ามาปฏิบัติธรรมกับการออกจากการปฏิบัติธรรมนี่ทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเข้ามาปฏิบัตินี่สําคัญกว่าออกนะเพราะว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นการทําความดีส่วนออกจากการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่แน่วาจะดีหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าออกไปแล้ว ก็ไม่ปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีหรือว่าสึกไปแล้วนีก็ไม่ปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีอันนี้ก็เพราะฉะนั้นในธรรมเดียมฝ่ายสง น, นี่เรื่องออกพรรษานี่ไม่ค่อยสําคัญนัก เ, นเมื่อเทียบกับตอนเข้าพรรษาแต่ว่าสําหรับญาติโยมแล้วนี่ออกพรรษานี่ก็สําคัญอาจจะสําคัญกว่าเข้าพรรษา เ, เพราะว่า มันเป็นช่วงที่เหมาะหลายอย่างนะที่เคยทำได้ทำนา น, นะตอนนี้ก็ได้พักแล้วนะก็รอแต่เก็บเกี่ยวหรือว่ารอแต่รับผลนะญิงสาวบางคนก็รอรอร อ, อชายหนุ่มให้ศึกนะจากการเป็นพระนะก็จะได้อ่ แต่งงานกันนะสมัยก่อนนี่ก็รอกันเนี่ยรอรอชายหนุ่ม น, นะที่มาบวชพระนะรอว่าเมื่อไหร่จะศึกนาะสึกก็จะได้มามีย่ยมมีเดือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝ่ายญาติโยมนี่ก็ถือว่าเปน็นอน่อภาษาสำคัญกว่านะก็มีพิธีกรรมต่างๆมากมายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรวมทั้ง ทอดกระถินด้วยคราวนี้เมื่อเรามาจำพรรษาตลอด3ามเดือนแล้วนี่ถึงเวลาที่จะออกพรษานี่ ก, <c oughs> ก็ก็ต้องถามตัวเจ้าของนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นกับตัวเจ้าของไหม <c oughs> ถ้าผ่านไป3ามเดือนแล้ว น, นนะ เราไม่ได้มีความเจริญงอกงามขึ้นในทางจิตใจอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะสู้หัวเปลือกหัวมันไม่ได้หัวเปลือกหัวมันนี่ตอนเข้าพรรษานี่เราเราลงนะเราลงมันนะผ่านมาถึงตอนนี้มันก็หัวใหญ่แล้วล่นะเปลือก็หัวใหญ่อ้อยนี้ก็เป็นรางแข็งแรงเรียกว่า มันไม่ไปเวลานิรันดร์เปล่าสามเดือนนี่แม้แต่ผักแม้แต่พืชแม้แต่ผลไม้มันก็แข็งแรงเติบโตองอกงามแต่เราซึ่งเป็นคนนะถ้าหากว่าสามเดือนผ่านไปจิตใจไม่ได้เจริญงอกงามขึ้นธรรมะไม่ได้แข็งแรงเชื่อมแข็งขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสู้บัเผือกหวมันไม่ได้นะมาปฏิบัติทันทีนะก็ต้อง ให้มีความเจริญก้าวหน้าถึงแม้ว่าบางคนอยู่บ้านนะไม่ได้มาบวชที่วัดแต่ก็ก็ควรจะใช้เวลาในช่วงสามวันเข้าพรรษานี่แหละนะปฏิบัติธรรมให้ทานแล้วก็รักษาศีลอย่าน้อยศีลถ้าก็ต้องเพ่งพรัดหรือว่าให้มันดีกว่าเดิมและถ้าทำนี้เนี่ยก็แน่ใจได้ว่า พอถึงออกพรษาแล้วนะก็จะมีจิตใจเจริญงอกงามจะไม่แพ้หัวเผือหัวมันนะที่เราปลูกอบางคนเนี่ยก็ช่วงข้าบรรษานี่ก็มาตั้งใจมาปฏิบัติมาจำศีลบางคนอาจจะไม่ได้จำศีลแต่อยู่ที่บ้านก็ พยายามรักษาศีลเวลาจะออกนี่ก็ออกให้เป็นหนะ้าบางคนที่เข้าพรรษาก็มาดีอยู่หรอกแต่ว่าเราเวลาออกเล้านี่ออกไม่เป็นออกไม่เป็นนี่มันก็บางทีก็เกิดโทษ น, นะอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งนะก็ตั้งใจดีนะเข้าพรรษานี่ก็พยายามงดเหล้าไม่กินเหล้าเลยนะ แต่ว่าพอถึงวันออกพรรษานี่ก็คิดว่าเป็นเสรีภาพนะอิสระเสรีนะมาที่เคยอดก็เลยนะก็เลยฉลองเต็มที่เลยนะฉลองวันออกพรรษานี่แหละกินเหล้าพอกัวว่าเมาเมานี่ก็ไปทะเลาะกับเมียปกติก็เป็นคนที่ชอบทุกต็เมียเวลาเมา เมาประมาณแสบๆเลยนะให้ต้องรอให้มันตกทลางคืนซะก่อนก็ไปทะเลาะกับเมียทำร้ายเมียเอาเอาหัวเมียนี่ขกพื้นโขกไอเมีขกพื้นโขกโต๊ะนะเมียนี่ก็บอกว่ายายายาหัวก็ไม่ฟังเพราะว่าเมาหนักหลังจากที่เลิกเล่ามาสามเดือนนี่พอมันเก็บกดมากก็กินเหล้าก็เลยกินไม่ยัง้ง เมาอันี้ก็ลืมตัวทำร้ายเมียเมียนี่สู้ไม่ไหวเลยทำยังไงห้ามก็ห้ามไม่ฟังเพิ่เห็นนะเห็นเสียมอยู่ใกล้กลๆนะเมียก็เลยเอาเสียมเนี่ยทิ่มใส่อกหัวบอกว่าปักทะลุให้ปักเลยนะตายหัวตายนะตายในวันออกพรษานี่แหละนะ อันนี้เรีกว่ามันออกไม่เป็นนะับทั้งที่ทําดีมาตลอดสามเดือนนั้นไม่กินเหล้าแต่ว่าเก็บกฎเนี่ยคือถ้าไม่กินเหล้าแต่ว่ารู้จั ก, จากทาสมาธิภาวนามันก็ดีนะเพมีบางคนนี่พอเลิกเหล้าแล้วหมาทําสมาธิมันก็ช่วยยับย้งชั่งใจได้ช่วยทําให้มีความสุขเลิกเพว่าเออทาสมาธินี่มันสุขกว่าการกินเหล้าก็ค่อยๆเลิกได้ออกภาษาก็ ยังมีสติมีความยับยั้งชัางใจนะแต่บางคนนี่มันเหมือนกับเก็บกดนะเลยออกพรรษาก็เลยเต็มที่เลยรอกว่าพอไปทำไรเมียเขาก็เลยเจอเมียสู้ตอบนะตายตายวันออกพรรษานี่แหละอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะออกก็ออกให้เป็นนะออกก็ออกให้เป็น นะให้มันมีสติมีความเด็งดังช่างใจอันนี้ก็รว ม, มพระด้วยนะพระนี่ถ้าจะถึงเวลาออกษาแล้วก็ได้เวลาสึกนะก็ต้องสึกให้เต็มออกให้เต็มพอมนงานนี้ก็เดี๋ยวลืมตัวฉลองไปฉลองไปกินเล่าเข้านีก็จะเกิดเรื่องเกิดลาขึ้นมาได้แต่ท่านี้เนี่ยนะ ก็ให้มันออกพรรษาให้มันออกแต่แต่ตามประเพณีนะแต่ยกออกจากการปฏิบัติย้ายออกจากธรรมะจะให้ออกจากศรรีลถึงแม้ ว, ว่าออกจากศรรีลแปดมาถึงศีลห้าก็ยังอยู่ในศีลห้าอยู่ไอการปฏิบัติธรรมนี่หรือว่าธรรมะนี่มันออกไม่ได้ชีวิตจะเจริญได้นี่ก็ต้องอยู่ในศีลในธรรม ถ้าใครคิดออกจากสินออกจากธรรมเมื่อไหร่นี่อันนี้ก็เสียงมากนะชีวิตก็ตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าอาจจะไปทะเลาะวิวาสเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาหรือไม่ก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเจ้าของเองหรแค่ไปหมอพุ้งอใบายามุก น, นะไม่ใช่แค่เล่านะแต่การพ น, นันหรือว่าการเที่วการคืนนี่ มันก็เสียผู้เสียคนได้ออกในศีล น, นะออกในธรรมนันนี้อันตรายให้ออกนี่ออกแต่ออกพรรษานะแต่ว่ายังอยู่ในศีลในธรรมและศีลธรรมนี่มันก็จะช่วยปกป้องเราได้อยเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวลือนะว่าจะมีเกิดพายที่ปัด เดินนั้นเดินนี้บ้างนี่ก็มีาวว่านี่เดินพันวานี่ก็จะมีภยัยพิบัตนะิไม่รู้ภัยพิบัติแบบไหนแผนดินไหวน้าท่วมหรือว่าเกิดพายุสุริยะนะี น, นักวิาก็บอกว่าจะมีภายุสุริยะมาครุออีกปีก็ปีนี้นะปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนะี่ยเจอพายุสุริยะวุ้นวาย ไฟฟ้าดับการขึ้นโลกข้นโลกนะบุ่นวายเลเพราะสมัยนี้มันถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ก็ลำบากแม้แต่บ้านเราไฟฟ้าดับนี่ถ้าสาาักสีห้าวันนี้บุ่นวายนะคนก็เชื่อในเรื่องไครที่ปัดที่จริงมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ ภัยธรรมชาติเนี่ยบางทีมันก็ภัยจากมุษยก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เช่นเศรษฐกิจปั่นปกวนบุ่นวายแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมนะเราก็จะไม่กลัวนะเพราะว่าศีลธรรมมันทำให้เรามั่นคงในจิตใจและศีลที่เราทำก็จะคุ้มครองเราได้แม้จะว่าคุ้มครองไม่ได้ 100% ปร น, นตก็ตาม เลยเพราะเรื่การกินการอยู่ให้รู้จักพอดีรู้จักประมาณเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเรากินอย่างฟุ้งเฟอ้อนะไม่รู้จักเจริอพรอมริเกิดภัยเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยปุ่นวายกันใหญ่เราก็ยังประมาณไม่ได้และที่สำคัญคือว่าไอ้ภัยเศรษฐกิจก็ดีภัยธรรมชาติก็ ด, กดีจะเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ว่าภัยที่มันเกิดกับชีวิตเนี่ยมันของแน่ของนอนะ mm hmm. ก็คือความแก่ความเจ็บความป่วยความพักผ้าสูญเสียความตายอันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่น้อยก็ามากแต่ถ้าเรามีธรรมะเอาไว้โด็กก็ไม่เพียงแต่การให้ทานรักษาศีลแต่ว่าเจริญภาวนา พิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตว่ามันไม่เที่ยงมันไม่กิรัยงยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเราพิจารณาแบบนี้ไนดะ้เกิดปัญญาขึ้นมามันจะเกิดความแก่ความเจ็บความป่วย ค, ค, ความตาย จ, จิตใจก็ไม่หวัหน่นไหวเพรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาของชีวิตเป็นของโลกต้องมี ธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจนะอันนี้มันเป็นหลักประกันให้เกิดความมั่นคงในชีวิตได้ประกันภัยยังไงมันก็ไม่ปลอดภัยนะประกันภัยยังไงมันก็อย่างมากก็ได้แต่งงแต่ว่าเงินเนี่ยมันซื้อความสุขก็ไม่ได้บางทีเงินที่ได้มามันก็ไม่พอด้วยกับความสึนเสียและได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ บางทีเกิดเหตุลาขึ้นมาประกันก็ประกันไม่ได้หรือถึงได้ก็ได้น้อยมันไม่คุ้มกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ถ้าว่าใจิตใจเรามีธรรมะมีเครื่องรักษาใจทั้งด้วยทานโดยศีลโดยภาวนาใจิตใจก็จะมั่นคงจะไม่หวั่นไหวกับความพัดผ่าสูญเสียที่เป็นธรรมดาของชีวิตแล้วก็ อยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขสุขเพราะว่ายอมรับความจริงของชีวิตได้แล้วเราก็ไม่กลัวนะถ้าเราทาความดีมั่นคงในธรรมนี่ก็ไม่กลัวไม่กลัวความตายไม่กลัวปรโลกนะอย่างมีภาษิกของพระปุริสสะท่านว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมอมไม่กลัวปรโลกนะปรโลกคือโลกหน้า ถ้าเราตั้งมั่นในธรรมเราไม่กลัวเพราะว่าเชื่อว่าธรรมะมันจะคุ้มครองเราไม่ใช่คุ้มครองไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ใช่แต่คุ้มครองใจไม่ให pues ้ทุกข์อันนี้แหละสาคัญที่สุดเป็นจะเป็นหลักประการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตจิตใจได้อย่างแท้จริงวัฒนันนี่ออกภาษาแล้วก็ให้มันออกจากภรรษาแต่ว่า อย่าออกจากศีลอย่าออกจากธรรมยังมั่นคงในศีลในธรรมอยู่อย่างน้อยๆก็ศีลห้าทำให้ได้ทำให้ดีแล้วก็ลดละบะยมุกจะได้ไม่ไปเกิดเดือดเดือดน้อเดิดเกิดเดือดเนือร้อนใจให้กับตัวเองให้กับครอบครัวของเราชีวิตมันก็จะผลาสุดได้มันก็จะเกิดชีวิตใหม่ได้ไม่ต้องรอให ถึงวันปีใหม่ชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ไปนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันของภรษาก็ตามอ่แล้วก็เตรียมรับพรนะอ่าติตดปวดงามด้วย